พระปชาพระไพบูรณ์อภิปุโนโมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันทุกวันก็มาพูดเรื่องเดิมเพราะาเป็นเรื่องที่ภิกษุในธรรมะภายนี้จะต้องพูดคือนําธรรมะของบุญชาเนั้นมาบอกต่อบอกต่อเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็มาทําหน้าที่ในการที่จะให้สิ่งที่ได้ฟังที่ฟังไปแล้วเนี่ยได้มีความจําแจ้งลึกซึ้งขึ้นมาโดยท่านผฟังก็สามารถที่จะ ติดต่อกับทางรายการได้นะโดยถามคำถามหรือส่งข้อคิดเห็นแบ่งปันเรื่องราวต่างๆได้นะสามารถติดต่อกับข้บาพเจ้าได้โดยการส่งเป็นทางจดหมายหรือเประีนิบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใกลสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ www. p i e ยตมะ p u r e d h a m m a ส่วนที่อยู่นั้นแบรดไปรสสเีก็4ี่หน่งนสม่งมาแล้วรับมาแล้วและก็ทุกฉบับทุกข้อความก็จะอ่านในการทความเข้าใจแต่ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะนํามาพูดคุยกันในรายการอีกครั้งหนึ่งและการศึกษาปฏิบัติในเรื่องธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังเราต้องทําเราต้องกระทําเราต้องทําให้ยิ่งเราต้องทําอยู่ในชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่เรื่องที่จะต้องแยกไป ต่างหากทำเฉพาะเวลาอยู่ในห้องพระหรือว่าเวลาใบวัดหรือว่าเวลาที่คุณว่างๆไม่มีอย่างอื่นทําจึงค่อยมาศึกษาทําธรรมะให้เกิดขึ้นจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยอยู่ในงานที่เราทําำอยู่ในสิ่งที่เราเห็นอยู่ในสิ่งที่เราได้ยินอยู่ในทุกอย่างที่ผ่านตาผ่านหูของเราอยู่ในทุกอย่างจริงๆอยู่ตามถนนอยู่ในทีวีอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปรับรู้สัมผัสได้ ถ้าเราเห็นได้อย่างนี้เราสามารถที่จะเห็นธรรมะในทุกๆสิ่งเนี่ยซึ่งจริงๆมันเป็นอย่างนั้นและจริงๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่าบางทีสติเราเผลอไปบางทีเราไม่ได้ตั้งใจบางทีเราหลงดืมสติบางทีเราก็เผลอเพลินไปในสิ่งที่เรารับรู้รับทราบรับเห็นตรงนั้นใจขึ้นๆลงๆไปตามสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะไม่เรานั้นไม่ได้สามารถที่จะเจริญมากหรือเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องฝึกในการที่ ให้เห็นสิ่งต่างๆรับรู้สิ่งต่างๆให้เป็นธรรมะเนี่ยจึงจะเป็นสิ่งดีทต่ไม่ครัพระเจ้ามานึกถึงในช่วง2อสสัปดาห์หรือช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งที่ครับเจ้านั่งสมาธิจากสลาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าอนไฮโศกแล้วเนี่ยก็จะเดินกลับมาทางริมสะนะที่วัดป่าอนไฮโศกนี่เขาจะมีสระใหญ่เป็นบึงอยู่แห่งหนึ่งนะซึ่งรอบๆสะนี้ก็จะมีที่พักมีกุฏิที่พักนะสําหรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมด้วย มีครั้งหนึ่งครัพระเจ้าจําได้ว่าเดินผ่านมาในะบริเวณริมสระนี่แหละมาถึงกุฏิน้อยหลังหนึ่งนะเป็นกุฏิกรรมฐานที่ผู้ปฏิบัติชายเนี่ยจะเอาไว้สําหรับนั่งสมาธิกุฏิหรือที่พักแห่งนั้นตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่ที่ตรงนั้นนะนะเป็นกุฏิที่ว่างอยู่นะเดินผ่านไปตรงนั้นก็ปรากฏว่ามีผีเสื้อเนี่ยวินออกมานะจากบริเวณนั้นเต็มไปหมดเลยนะจากต้นไม้ข้างๆบริเวณข้างๆอะไรต่างๆก็มีผีเสื้อสีเหลืองๆตัวเล็ก เดประมาณ4ี่ห้าสิบตัวบินไปบินมาอยู่บริเวณนั้นพอมองไปที่กุฏิหลังนี้ตรงฝาด้านหนึ่งด้านที่ติดกับริมน้ำเนี่ยพบว่ามีรังดักแด้อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นรังดักแด้อยู่ที่เต็มฝาข้างกุฏิประมาณ1ิบยี่สิรังอยู่ตรงนั้นเป็นรังดักแด่ที่มันจะโตมาเป็นปีเสื้อก็เลยทําให้นึกถึงวงจรชีวิตของปีเสือ้อ แตะท่านบางท่านอาจจะได้เคยศึกษาเรื่องวงจรชีวิตตรงนี้นั่นก็คือว่าจากผีเสื้อเนี่ยจากผีเสื้อที่เราเห็นว่าเป็นสีสีเป็นตัวมีสีต่างๆแล้วก็บินไปบินมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไปกินน้ําหวานถูกไหมไปกินน้ําหวานแล้วมันก็เพื่อที่จะไปวางไข่ผสมพันธุ์วางไข่ไปพอมันวางไขนะ่ไข่ที่ออกมาเนี่ยก็จะไปวางตามใบไม้ตามต้นไม้เพราอไข่ที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนอนเป็นตัวบุ้ง เห็นจะตเห็นว่าจะมีขนเยอะๆเป็นตัวใหญ่ๆบ้างเล็กบ้างสีสันต่างกันไปบ้างตัวนอนหรือว่าตัวบุ้งที่ออกมานี้จากไข่ของผีเสื้อเนี่ยมันก็จะกินใบไม้วงจรชีวิตของไหมตัวไหมหรือว่าตัวผีเสื้อตัวบุ้งพวกนี้ก็จะลักษณะเดียวกันตัวมาเป็นตัวนอนกินใบไม้ถ้าไหมก็กินใบหมอนถ้าเป็นตัวบุ้งหรือตัวนอนชนิดอื่นๆก็กินใบไม้ แต่และชนิดไปตัวมันก็จะใหญ่ตัวมันก็จะเล็กไม่เท่ากันทีนี้หลังจากที่มันจเจริญเติบโตได้พอสมควรเนะจ้าตัวนอนหรือตัวบุ้งเนี่ยมันก็จะชักใหญ่เพื่อที่จะคลุมตัวมันนะมันก็จะเอาป่าเขงมันเนี่ยคายเป็นเหมือนกับเยื่อเป็นใ ย, ยออกมานะเพื่อที่จะห่อหุ้มตัวมันนะมันจะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างละนะจากตัวนอนจากตัวบุ้งเนี่ยเพื่อที่จะเป็นปีเสือ้อ ในช่วงที่มันชักใยอยู่นี้ก็อาจจะเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์นะชักใยกลุ่มตัวมันนะตัวหนอนนี้พอถึงเวลาที่มันโตเต็มที่มันกินอิ่มเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะไปหาจุดที่มันเหมาะสมนะซึ่งในกรณีนี้ก็คือข้างฟ้าเรือนของกุฏิหลังนั้นนะหรือว่าตามใบไม้อะไรต่างๆที่มันจะเห็นว่าเหมาะสมในะระหว่างที่มันชักใยออกมาเพื่อที่จะคลุมตัวเองนะเพื่อที่จะฟักตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนสภาพของตัวมันให้กลายเป็นผีเสื้อเนี่ย ในช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าจะใช้เวลาหลายวันนะแล้วเส้นใยที่มันชักออกมานี่ก็จะคลุมไปหมดเลยกลุมตัวมันไปหมดเลยนะตรงจุดนี้ก็จะเรียกว่าตัวดักแด้ตัวดักแด้ที่ถูกหอกหุ้มอยู่ในรังดักแดนะ้ถ้าเป็นตัวไหมเขาก็จะเอารังดักแด้นี่แหละไปทำเป็นเส้นไหมไปทำเป็นด้ายไปทาเป็นทอเป็นผ้าไหมต่อไปที น, นี้ถ้าเป็นตัวดักแด้ทั่วไ ป, <ๆ S 1> ไปมันก็จะเจริญเติบโตต่อไปพอหลังจากที่ ทารังดักแด้แล้วตัวดักแด้นี้ก็อาจจะใช้เวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์กว่าที่จากตัวดักแด้ที่ถูกห่อหุ้มด้วยรังของมันเองจากที่มันสร้างขึ้นมามันก็จะค่อยๆปริตัวออกค่อยๆที่จะกัด้รังดักแด้ของตัวมันเองออกมาตัวมันก็จะแข็งๆนิดนึงแล้วก็ค่อยๆที่จะเติบโตมาเป็นปีเสื้อวงจรชีวิตของมันจะเป็นลักษณะนี้นี่คือวงจรชีวิตของปีเสื้อ เนีาาเทเ่ที่นักศึกษาแมลงไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาใช้คำว่าอะไรที่นักวิทยาศาสตร์ทางด้านมาแมลงเนี่ยเขาจะศึกษาเรื่องของชีวิตวงจรชีวิตของมันอย่างนี้หรือแม้แต่พวกเราเองก็อาจจะได้เคยเรียนมาในสมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่หรือมีการทดลองตามวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งวงจรชีวิตของมันนี้นก็จะค่อยวนไปอยู่อย่างนี้แหละจากตัวดักแด้ ก, ก็มาเป็นผีเสือ้อจากตัวผีเสื้อผสมพันธุ์กันแล้วก็ไข่เป็นไข่ออกมา เป็นไข่แล้วก็เติบเป็นตัวบุ้งจากตัวบุ้งกินอาหารก็เป็นตัวดักแด้จากตัวดักแด้ก็มาเป็นผีเสื้อผีเสื้อกับผสมพันธุ์การไข่ออกมาไข่ออกมาแล้วก็เป็นตัวบุ้งกินอาหารเต็มที่ก็เป็นดักแด้ดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อวนไปวนมาอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาปีชั่วนาตาปีเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเรื่อยถ้าอากาศเหมาะสมอาหารมีอุดมสมบูรณ์วงจรชีวิตนี้ก็ไปเรื่อยๆก็เจริญเติบโต มีมากขึ้นมากขึ้นช่วงไหนอากาศไม่ดีไม่เหมาะสมอาหารน้อยวงจรชีวิตนี้ก็ลดลงลดลงหนะมายความว่าจํานวนที่มันจะโตขึ้นก็น้อยลงนะจะมีที่รอดมาได้ก็เฉพาะตัวที่แข็งแรงแข็งแรงเท่านั้นนะก็เป็นอย่างนี้ไปนะช่วงนาตาปีทีนี้พวกนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องแมลงเนี่ยเขาก็เอาวงจรชีวิตของเจ้าผีเสื้อเนี่ยมาทําการศึกษาทําการค้นคว้าทําการดัดแปลงนะครับเชาเคยอ่านเรื่องวงจรชีวิตนี้ นะผลงานวิจัยของนักวิทยศาสตร์ท่านหนึ่งเขาก็สังเกตช่วงที่เจ้าดักแด้เนี่ยหลังจากที่มันสร้างรังของมันเป็นตัวบุ้งเรียบร้อยลนะในกินอาหารเต็มที่เป็นตัวบุ้งตัวนอนเบิ่มเลยนะมันก็สร้างรังของมันบุ๊บบุ๊บขึ้นมาคลายสิ่งที่เป็นใยเป็นเยื่อเพื่อที่จะคลุมตัวเองเพื่อที่จะสะฟักตัวนะให้เป็นดักแด้แล้วก็จะเป็นผีเสื้อต่อไป นะพอระยะเวลาเหมาะสมนะสร้างรังเต็มที่แล้วนะผ่านไปเวลาหลายหลายวันนะมันก็จะเริ่มปริตัวของมันออกมาัมนะักวิษษาศาสเขาสังเกต ต, ตรงนีนะ้เริ่มปรีตัวออกมาเพื่อที่จะโตเป็นปีเสื้อเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆแหวกตัวของมันะแหวกตัวของมันปรีออกมาจากรังดักแด้ของตัวเองนะแล้วผิวเปลือกนอกของเจ้าตัวดักแดกนะ้ก็จะแตกออกนะผิวภายนอกมันก็จะเริ่มแข็งเริ่มแตกออก นะรังดักแด้ ก, ก็จะเริ่มขาดออกแตกออกนะในช่วงนี้ในวิทยาศาสตร์คนนี้เขาทําการทดลองว่าคือตัวที่มันจะแตกออกมาจากตัวดักแด้เนี่ยจะเป็นปีเสื้อตัวไหมซึ่งมันก็จะมีปีกมีแขนมีขาอะไรตามเรื่องตามราวของมันในลักษณะของความเป็นผีเสื้อนะเขาก็สังเกตเห็นว่าเจ้าตัวปีเสื้อที่กําลังจะออกมาจากรังดักแด้เนี่ยก็พยายามที่จะถูปีกของมันนะถูปีกเพื่อที่จะดันดันดั น, ดน ดันให้เจ้ารังดักแด้เนี่ ย, ย, ยออขยายออกขยายออกเพื่อที่ตัวผีเสื้อที่กําลังเป็นตัวอ่อนกําลังจะหลุดออกมาจากรังดักแด้เนี่ยได้ออกมาก็พยายามจะถูปีกถูปีกเพื่อที่จะดันดันดันให้เจ้ารังดักแด้เนี่ยเปิดออกเปิดออกมากขึ้นเดีวตัวเองก็จะได้ออกมาได้แล่เขาสังเกตเห็นวงจรชีวิตอย่างเนี้ยเบ้นอ ย, อย่างนี้ร่ำไปเดี๋นักวิชาคนนี้เขาก็เลยทําการช่วยเหลือโดยการตัด นะเปิดช่วยเปิดรังดักแด้ให้มันกว้างขึ้นนะเพื่อไอ้เจ้าตัวผีเสื้อที่อยู่ภายในตัวรักดักแด้เนี่ยมันจะได้ออกมาได้อย่างสบายๆนะเขาก็ไปทําอย่างเงี้ยเขาทําการทดลองใช่ไหมเขาก็ผสมพัน์ผีเสื้อจับอันนี้ผสมอันนี้สร้างเป็นตัวบุ่งออกมาเป็นตัวหนอนให้มันกินอาหารให้เต็มที่นะสร้างเป็นรังดักแด้แลนะมีรังดักแด้อยู่ตั้งหลายอันนะที่เขาทําการวิจัยอยู่ เนะรังนี้ก็พาช่วยเปิดนะ่ยถึงเวลาที่มันจะออกมาแล้วเนี่ยมันเริ่มปริตัวออกมาแล้วเขาก็ไปช่วยผ่าให้ไอ้เจ้ารังแ ด, ง, ดงนี้เปิดออกให้ตัวผีเสื้อที่อยู่ข้างในเนี่ยมันออกมาได้โดยสะดวกไม่ต้องดันมากไม่ต้องใช้แรงมากนั้นะปรากฏว่าพอเขาทําทําการทดลองไปนะทํากับรังนี้ทํากับรังนี้ด้วยแล้วก็ทํากับรังนั้นด้วยปรากฏว่า3มรัง4ี่รังที่เขาทำเนี่ยจำนวนตามที่เขาทําการวิจัยทําการทดลองปรากฏว่า ที่เขาผ่าเปิดออกเนี่ยเพื่อให้ผีเสื้อข้างในมันออกมาได้ง่ายๆออกมาได้สะดวกเนี่ยปราะว่าผีเสื้อพวกนั้นตายแตนไม่สามารถออกจากรังดักแด้ได้ในขณะที่รังดักแด้อื่นๆที่เขาทำการทดลองอยู่ในชุดเดียวกันนะไม่ได้ผ่าไม่ได้เปิดออกไม่ให้มันออกมาเองตามธรรมชาติตัวบุ้งข้างในที่มันแก่เต็มที่แล้วปลิตัวออกมาเป็นผีเสื้อที่จะดันออกมาจากรังรังดักแดเนี่ย ดันไปดันไปดันไปก็ออกมาเป็นตัวผีเสื้อได้ตามธรรมชาติของมันแต่เจ้าตัวดักแด้ที่เขาไปช่วยผ่ามันออกเนี่ยในรังจากที่มันปริตัวออกมาแล้วเริ่มจะออกมาแล้วเนี่ยช่วยให้มันออกมาได้โดยสะดวกไม่ต้องให้มันดันมากไม่ต้องให้มันทุลักทุเลมากเนี่ยกลับตายตายไม่สามารถเป็นผีเสื้อต่อไปได้ตายหมดเลยร0อตาย 100% เปอ์ช่วยผาออกเปิดออกกี่รังมันตายหมดแล้วเขาก็มาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราอุตส่าห์ช่วยให้ มันออกมาได้โดยง่ายออกมาได้โดยสะดวกนะมันกลับกลับไม่สามารถออกมาได้เนะือเขาก็ศึกษาสังเกตนะพบว่ากระบวนการที่ตัวผีเสื้ออ่อนที่ปรีออกมาจากรังดักแด้เนี่ยมันจะต้องเอาปีกของมันเนะือเพื่อที่จะดันเนะื้อดันรังดักแด้เนี่ยให้ปรีออกแตกออกนั่นะในกระบวนการตรงนี้แหละเป็นการที่ฝึกความแข็งแรงของปีกของผีเสือ้อนะเพราะว่าผีเสื้อเนี่ย มันจะบินไปได้มันต้องมีปีกใช่ไหมแล้วปีกมันก็จะต้องมีกําลังพอสมควรที่จะยกตัวมันขึ้นเพื่อที่จะไปหาอาหารไปผสมพันธุ์นะี่ไปหาเกสรดอกไมก้มากินมารับประทานเนะีเพื่อที่จะได้วางไข่ต่อไปได้แต่ปรากฏว่าปีกมันเนี่ยไม่มีกําลังนีไม่มีกํนะาลังเพราะว่าไม่ได้ถูไม่ได้ไถนนะีไม่ได้ดันกับรังดักแด้ของตัวเองเนะีเพราะว่าปีกของปีเซ่เนะีตอนช่วงที่มันกําลังปรีตัวออกมาจากรังดักแด้เนี่ย มันจะต้องใช้ปีกอ่อนๆของมันเนี่ยที่เพิ่งจะโตมาเนี่ยดันรังดักแด้เปิดให้มันปลีออกแตกออกดันอยู่นั่นแหละเพื่อที่จะเป็นการฝึกกําลังปีกเพื่อที่ใช้ปีกมันแข็งแรงขึ้นมีกําลังขึ้นยกตัวมันเองได้บินออกไปได้หาอาหารได้ผสมพันธุ์ได้วางไข่ได้มันจะอาศัยปีกของมันตรงนี้แต่ถ้าปีกของมันไม่มีกําลังเนื่องจากการที่รังของมันแตกออกเองแล้ว ไม่มีเครื่องช่วยที่จะฝึกให้ปีกของมันนั้นมีกำลังนะปีกของมันก็เลยอ่อนแอนะบินไม่ได้เจนะ้าตัวปีเสื้อที่เขาช่วยมันเปิดออกจากรังดักแด้ก็ตายนะเพราะว่าปีกมันไม่มีกำลังไปหาอาหารไม่ได้นะไวส์รยานหนึ่งก็ตาย 100% ยเปอร์ซอยเอรของรังดักแด้ที่เขาช่วยเปิดออกนปะีเสื้อตายหมดเลยในขณะที่ถ้าวงจรชีวิตตามธรรมชาติของมันนะที่มันจะมาเป็นปีเสื้อได้ มันจะค่อยๆปริตัวจากรังดักแด้ถูกไหมในขณะที่มันปริตัวเนี่ยตัวอ่อนของปีเสื้อที่อยู่ข้างในก็ยพยายามจะใช้ปีกอ่อ น, นอของมันดันดันๆันๆนดนนะในขณะที่มันดันไอ้รังดักแด้ให้มันแตกออกเปิดออกนะปีกมันก็แข็งแรงไปด้วยเลยปีกมันได้รับการฝึกแห้งลงแข็งแรงมากขึ้นนะเพราะว่าตัวข้างในมันยังเปียกเนี่ยพอมันถูถูถูถนะไอ้ปีกก็แห้งลงแห้งลงก็มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นใหญ่ขึ้นได้โตขึ้นได้ นะพลังงานออกได้แล้วก็บินออกจากรังดักแด้ไปเป็นผีเสื้อตามธรรมชาติได้นี่คือกระบวนการทำธรรมชาติเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อท่านผู้ฟังถามว่าข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้ทราบว่าในวิทยาศาสตร์คนที่เข้าไปจัด ก, การช่วยเหลือผีเสื้อเพื่อให้มันออกจากรังง่ายๆนผีเสื้ออ่อนที่เพิ่งจะแตกออกจากรังของตัวดักแด้ให้ออกมาง่ายๆเนี่ยกลับเป็นการฆ่ามัน ทางอ้อมและฆ่ามันต้องอ้อมด้วยเจตนาที่ว่าจะให้มันสบายแต่นั่นกลับเป็นการฆ่ามันเพราะว่าปีกของมันไม่แข็งแรงส่วนผีเสื้อที่เป็นไปตามกระบวนการและมีการที่จะต้องดันต้องถูปีกกับเจ้าตัวรังดักแด้เพื่อจะให้ตัวเองออกมาได้นั้นก็เป็นกระบวนการที่ช่วยฝึกให้ปีกของมันนั้นแข็งแรงมากขึ้นเหมือนกันในชีวิตเราไม่มีผิดตามฝั่งเหมือนกันในชีวิตของเราไม่มีผิด บางครั้งเราเจอเรื่องราวที่มือดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาเป็นความยากลำบากแต่ถ้าผมว่าเราใช้กำลังความเพียนตั้งเอาไว้นะอย่างเจ้าตัวดักแด้ที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นปีเสื้อเนี่ยปริตัวออกมาเป็นปีเสื้อ อ, อ่ อ, อนๆอยู่ภายใต้รังของดักแด้อยู่เนี่ยฝึกที่จะผลักดันตัวเองให้ออกมาได้เราเจอปัญหาสิ่งใดฝึกในการที่จะให้จิตเราตั้งอยู่ในมรรค เจริญสัมมาวายามะรักษาศีลทำจิตให้มีกำลังในเห็นความแจ่มแจ้งได้ตรงนี้จะทำจิตของเราให้มีความเข้มแข็งมีความแข่งขึ้นมากได้ดูอย่างโพธิสัตว์บรรพชาของเราตอนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้นะบำเพ็ญทุกรกิริยานะในขณะเทวดาจะเอาอาหารมาช่วยหยอดให้ผ่านทางรูขุมขนนั้นะก็บอกว่าอย่าเลยนะไม่ต้องเพราะว่าต้องการจะบำเพ็ญความเพียร จุดที่เจอความลำบากก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นได้เห็นข้อถูกข้อผิดเน้นพยายามทําให้มันถูกให้ต้องให้ได้เนื่อจึงได้มีนิมิตรเรียกว่าอุปมาสาอย่างเกิดขึ้นว่าเอ๊ะตึงง่าจะเจ็บไม่เจ็บเนื้อกายจะเป็นยังไงเอ่อแต่ถ้าบอกว่าใจนั้นยังมีกิเลสกรรมอยู่ก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไม่สามารถที่จะตรัสรู้ทาได้นื่อลองวิธีต่างๆนาน า, นา นะัลองผิดลองถูกไว้กั้นเถอนะนั่ไม่ต่างกับในชีวิตของเราก็เหมือนกันแต่บางทีชีวิตเราเจออุปสรรคปัญหาใดๆในชีวิตเนี่ยเราก็ลองผิดลองถูกนะัลองผิดสัมมากว่าลองถูกด้วยซ้ําบางทีไอ้ที่ลองทําผ่านมาคิดว่ามันไม่ได้ไม่เวิร์กนั่นก็เป็นวิธีที่ถูกต้องอ่าเราคิดว่าวิธีนี้จะทําได้ให้เกิดเป็นความสําเร็จขึ้นมาเอ๊ะมันกลับกลายเป็นวิธีที่ผิดนะําเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบเดิมแบบนั่นแบบนี้นแบบโ น, แบบ น, น้นนะั่นลองอยู่นั่นลองแ บ, แบบนั้นแบบนี้ ลองกระทําดูนั้นในแบบต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสําเร็จให้เกิดความผ่านพ้นไปได้ซึ่งในเรื่องนี้หมายความว่าอะไรทตูมฟังเนะี่ยหมายความว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคใดๆก็ตามในชีวิตของเรานะเราดูพระพุทธเจ้เป็นตัวอย่างเนะี่ว่าวิธีการที่ทํานั้นนั้นส่วนหนึ่งหนึ่งกระบวนการเรื่องภายนอกต่างๆนั้นอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนั้นคือใน ใ, นใจของเราใ น, ในใจของเราจะรักษา เส้นทางจะรักษาความที่เป็นกุศลธรรมไว้ในใจได้หรือไม่แน่นอนว่าบางทีความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันมีมันเจออยู่แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสําคัญเหมือนอย่างเชือโตดักแด้เหมือนกันแตนะสิ่งที่สําคัญที่เขาจะออกจากรังของเขาได้คือความแข็งแรงของปีกของเขาแตนะ่ซึ่งแน่นอนไอ้เจ้ารังดักแด้เน่ยนะเพื่อที่จะฝึกกําลังให้ปีกของปีเสื้อนี่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะว่าให้เจ้า ตัวปีเสื้ออ่อนที่กําลังจะออกจากรางนั้นได้พบได้เจอได้ฝึกในการที่จะให้ปีกนั้นมีกําลังเช่นเดียวกันวิธีการสิ่งที่เราพบเจอผัสสะต่างๆนต่นม่อจะทําเกิดความสุขความทุกข์ในใจของเรานั้นเป็นวิธีการธรรมชาติที่มันมาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเราอยู่แล้วเพื่อที่จะฝึกให้จิตของเรานั้นสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่คุณมีกําลังหรือไม่ะสิ่งที่จะทําให้เราทรงอยู่ในมรรคตั้งอยู่ในหนทาง เดินตามศีลสมาธิปัญญาอริยามรรคมีองค์8ได้คือกำลังนะกำลังที่คุณตั้งเอาไว้กำลังของจิตนั่นเองอะไรคือกำลังของจิตในะความสามารถความเข้มแข็งของจิตนั่นะก็คือเรื่องของศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาซึ่งแม้แต่บรรชาของเราในะตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก่อนการตรัสรู้เนี่ยก็พยายามที่จะทําศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแนะดโดยผ่านกระบวนการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการทําทุกรกิจิยา แล้วก่อนหน้านั้นก็ไปศึกษาวิธีการทำสมาธิาจากอราดาบทกรมโคตจากอุทะกผู้รามบุตรก็ด้วยกําลังคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี้เหมือนกันเป็นกําลังที่ผัสสะต่างๆมากระทบเนี่ยเราพยายามที่จะทรงอยู่ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นกําลังให้จิตของเรานั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นมีความที่จะทําให้จิตของเรานั้นพร้อมที่จะตรัสรู้ทาได้ตอนที่โพธิสัตว์เนี่ยมีความคิดได้เห็นอุปมาสามข้ นาบอกไวิชัดเจนแล้วบุฟังบอกว่าต่อให้ร่างกายได้รับความเจ็บปวดนั้นได้รับทุกขเวทนาอันกล้าแข็งเจ็บแสบเป็นร้อนเนี่ยแต่ถ้าใจมีปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันนะหนาคือพร้อมจนท้องเกี่ยวเอามือแตะท้องถึงกระดูกสันหลังเอามืออ้อมไปกแตะกระดูกสันหลังจากด้านหลังก็ถึงพุ้นทอกด้วยเนี่ยถ้าตรงนั้นจิตมีอริยปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันนะหนาเพราะว่าประเด็นมันอยู่ที่เรื่องของกาย ในกรณีนั้นก็ได้คิดถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมนะเพื่อที่จะให้เกิดสมาธิได้ง่ายหนูก็จึงตัดสินใจที่จะมารับประทานอาหารถึงจะรับประทานอาหารแต่ถ้าใจไม่มีอริยะปัญญาหนูก็ตรัสรู้ไม่ได้นะถึงจะรับประทานอาหารแต่ถ้าใจมีอริยะปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันถึงจะร่างกายได้รับความทุกเวทนาถ้าใจมีอริยะปัญญาก็ตรัสรู้ได้เหมือนกันถึงร่างกายจะได้รับทุกเวทนาแต่ถ้าใจไม่มีอริยะปัญญา ก็ไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้นะเพราะฉะนั้นการตรัสรู้หรือไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยมันอยู่ที่เรื่องของใจทั้งสิน้นนะเรื่องของทางกายมีผัสสะความสุขความทุกข์มีมาได้และถ้าใจของเราสามารถตั้งอยู่ในหนทางนะมีกําลังมีพะละในะเรื่องของสตาวิญญาณสัมมาธิปัญญารักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาได้ก็จะทําให้บุคคลที่ประพฤติกระทําความเพี่ยนอยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้าใกล้ฝั่งนิพพานได้มากขึ้นชีวิตของเราก็เหมือนการทำฝั่ง ชีวิตเราไม่ต่างกันนือเจออุปสรรคต่างๆบ้างเป็นธรรมดาเนืเจอแล้วเราสามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคได้หรือไม่อันนั้นจะเป็นเรื่องที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีกําลังมากขึ้นมีความสูงขึ้นและใกล้ฟังพันิพาณมากขึ้นในชีวิตของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราฟังเรื่องราวของโพธิสัตว์ฟังเรื่องราวของการตรสัสรู้ของพระพุทธาฟังเรื่องราวในการทําความเพียงของพระองค์เนี่ยเราฟังมาแล้วกี่รอบโอ้ยอย่าว่าเป็นห้ารอบสองรอบ สิบรอบทุกๆปีเขาก็พูดกันในะเรื่องพระเจ้าตรัสสรุทำความเพียรตรัสสรุทำความเพียรนีนะ่ผ่านความลําบากต่างๆมาเรามาลองทบทวนพิจารณาถึงชีวิตของเราไหมทบทวนพิจารณาถึงชีวิตของเราว่าตัวเราเองอ่ะเคยผ่านความลําบากความยากความทุกข์หรือว่าสิ่งใดๆที่เราพบเราเจอเอา้าวไม่น่าพอใจละ่นะแตสิ่งต่างๆที่ไม่น่าพอใจนั้นถ้าสมมติเราสามารถผ่านพ้นมาได้ แลนะด้วยจิตใจที่เป็นกุศลด้วยจิตใจที่สามารถที่จะทรงอยู่ในมรรคด้วยความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะเราจะดีขึ้นกว่านี้แนะ่จิตใจของเราแน่นอนสูงขึ้นกว่านี้แนะ่หรือแม้แต่ปัญหาอุปสรรคที่เราเจออยู่ณนะปัจจุบันนี้เนะ่ยมันมีใหญ่ก็ตามเล็กก็ตามที่เราพบเจออยู่มันเป็นเรื่องที่จะทําให้เหมือนกับเจ้าตัวดักแด่ น, นี่แหละที่ว่าจะต้องคอยที่จะฝึกปีกให้มีกําลังแตนะ่ถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้มีกําลัง โดยผ่านกระบวนการนี้ผ่านกระบวนการที่เราเจอผัสสะที่ไม่น่าพอใจแต่ตั้งจิตของเราให้ดีให้ได้การที่มีผัสสะไม่น่าพอใจแล้เราตั้งจิตของเราให้ดีให้ได้เนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่ทําให้จิตของเรานั้นมีกํำลังมากขึ้นมีพลังมากขึ้นจิตที่มีกําลังมีพลังมากขึ้นอย่างนี้แน่นอนว่าคุณก็มีโพชฌงค์เจ็ดอยู่ในใจของคุณแน่นอนว่าคุณก็จะเริ่มมัก8อยู่ในนี้หนาใจนั้นก็จะมีพุทธะพุทโธเกิดขึ้นหนาพุทธะพุทโธคือความรู้ นะความตรัสรู้ความรู้ยิ่งความรู้แจ้งในเรื่องราวที่เราจะเห็นธรรมะรู้แจ้งธรรมะ ใ, ในใจได้เพราะนั้นอุปสรรคที่เราเห็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นเครื่องคอยขวางเป็นเครื่องกางกางั้นทําให้เรานั้นประสบความทุกข์ความยากความลําบากถ้าเรามองจากอีกมุมหนึ่งมันกลับเป็นเครื่องที่จะส่งเสริมให้เรานั้นสูงขึ้นนะให้ดีขึ้นเหมือนกับว่าวแต่มีลมแร ง, แรงมันก็ขึ้นสูงได้แต่มันก็ต้องทําให้ถูกกระบวนการ นะมีการกินลมให้ถูกแง่มุมนะเครื่องบินเจ็ตนะจะบินขึ้นได้ก็จะต้องเอาเครื่องยนต์ไอพ่นของตัวเองเนี่ยพ่นไปเพื่อที่จะให้เข้าวิง่งเข้าหาลมเข้าหาอากาศก็จะเกิดลมขึ้นนะก็จะมีแรงยกปีกทำให้มันขึ้นสูงได้ก็เพราะว่าลมที่มันต้านเข้าไปบุริชาของเรานะทาความเพียงต่างๆในะรูปแบบต่างๆแลนะก็เพื่อที่จะให้จิตนั้นไดนะ้อย่างถึงรู้ถึงสัมมาสัมปชิญญะ ความทุกข์ความยากอะไรที่เรามีในชีวิตของเราเป็นเครื่องที่จะมาทดสอบให้เรานั้นตั้งอยู่ในมรรคทั้งบ่วงเป็นเครื่องที่จะทําให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้นดีขึ้นถ้าบอกว่าเรามีความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่าท้อแท้ท้อถอยแต่ให้มีกําลังใจดูอย่างบริษัทนะุทธเานะั่ยเจอความทุกข์ความยากความลําบากเนะี่ขนาว่าแก่ไปกินข้าวพอที่จะทํากายให้มีกําลังภนะิกษทุที่อยู่ด้วย5รูปในตอนนั้นคือเราปัญจวัคคีเนี่ย ก็มีความคิดว่าสมณครดมนี้กลายความเปลี่ยนเวียนมาเป็นคนมากมากแล้วในกินข้าวแค่ไม่กี่คำก็หาว่าเป็นคนมากมากอย่างตักคนหนึ่งเขาว่าเขาดูถูกแต่ใจนั้นมีความตั้งมั่นในความดีใจนั้นมีความที่จะระลึกถึงอยู่ในเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลธรรมบางทีในชีวิตของเราเจอคนด่าคนว่านะไม่ใช่เฉพาะเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินไม่ใช่เฉพาะเรื่องครอบกลัวแต้รวมถึงเรื่องการงานเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อม เีมัญจะมาะคอยป ร, ประดาประดังทําให้จิตใจของเรา an, นั้นอาจจะเป๊ไปจะมีความทุกข์ที่เราไม่ชอบมีความทุกข์ที่เราไม่น่าพอใจอย่าให้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องที่ทําให้เราต่ําลงแต่ให้สิ่งนั้นมาเป็นเครื่องที่ทําให้เราสูงขึน้นเหมือนอย่างโพริสัตว์ที่เจออุปสรรคต่างๆแล้วก็สามารถที่จะทําจิตของตัวเองให้สูงขึ้นข้ามล่วงก้าวพ้นอุปสรรคต่างๆให้สิ่งที่เป็นอุปสรรคนั้นเป็นเหมือนกับหินที่เป็นบันไดที่จะมายกให้เราสูงขึ้นในหินที่มัน หล่นลงมาเนี่ยแทนที่มันจะให้มันทับตัวเราในะให้เราจมต่ำลงแต่เราดูจังหวะหลบให้ดีๆเนี่ยนะมันจะเป็น9ให้เราก้าวสูงขึ้นได้และถ้าเราสามารถที่จะรู้พิจารณาเห็นแงม่มุมตรงนี้เหมือนอย่างกรณีของตัวอ่อนของผีเสือ้อที่ออกจากรางดักแด้จะต้องใช้กําลังพลังของมันจะต้องใช้รางดักแด้ที่ดูเหมือนเป็นเครื่องขวางเครื่องกัน้นในการที่จะฝึกปีกของมันให้มีกําลังโผล่ออกมา เหมือนกับโพธิชัดที่จะต้องใช้ปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เจอเพื่อเป็นการฝึกจิตนั้นให้มีกําลังในรูปแบบต่างๆความสุขก็เจอความสุขที่ลุ่มหลงมัวเมาก็เจอมาความทุกข์ที่จะทําให้เกิดความเจ็บแสบเป็นร้อนจะมีทั้งเวทนาทั้งที่เป็นสุขทั้งที่เป็นทุกข์นั้สผ่านมาได้ผ่านมาแล้วรู้แล้วก็จึงบรรลุสมาสมุญปทาญาณความสุขในชีวิตเราก็เจอมาแล้วท่านผู้ฟังความทุกข์ในชีวิตเราก็เจอมาแล้วท่านผู้ฟังเจอมาหมดแล้ว แต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากันหนักเบาไม่เท่ากันแต่เจอมาทุกอย่างเพราะด้วยความเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยมันเป็นพบในลักษณะที่จะมีความสุขความทุกข์คละเคล้ากันไปเวลาเราเจอความสุขความทุกข์คละเคล้ากันไปแล้วในเรื่องความสุขเนี่ยก็อย่าไปลุ่มหลงมัวเมาผัวพันติดยึดในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราต่ำลงในเรื่องความทุกข์เราก็อย่าไปขยะดขยง้งเกลียดชงังกระไฟ่กระเฟียดขัดเคืองในสิ่งเหล่านั้นนั่นจะทำให้เราต่ำลง ถ้ามีสิ่งใดที่ชอบที่ทำให้เราลุ่มหลงเรามองให้ดีๆนะมีสติให้ตั้งมัน่นรักษาคำสอนของพระเจ้าให้อย่างจำแจ้งมีใจมีสติที่ไม่ลืมหลงนะสิ่งนั้นจะกลายเป็นเหมือนกับบันไดที่จะยกเราให้สูงขึ้นมีสิ่งใดที่มาเป็นความทุกข์ความไม่พอใจเราตั้งสติให้มัน่นะมีสติไม่ลืมหลงมองให้ดีๆพิจารณาให้จำแจ้งสิ่งนั้นจะกลายเป็นก้อนหินที่จะยกเราให้สูงขึ้น เป็นบันไดที่จะยกเราให้สูงขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นเรามีความรู้มากขึ้นเรามีความแจ่มแจ้งมากขึ้นเรามีศรัทธาวิรญญาณสิสมาที่ปัญญาสูงขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นได้นนั้นด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ที่ได้พูดเอาไว้ดูพระเจ้าเป็นตัวอย่างดูฟังดูโพธิสัตว์ตอนก่อนการตรัสรู้เป็นตัวอย่างหรือว่าดูผีเสื้อที่จะออกจากรังดักแด้เป็นตัวอย่างก็ได้ดูเป็นตัวอย่างเห็นธรรมะแล้วเอาสิ่งนั้นคุณธรรมนั้นๆมาส่งไว้ในใจ นั่นจะเป็นการปฏิบัติของตัวเราเองเมื่อเรามีการปฏิบัติดูตัวอย่างอย่างนั้นแล้วน่ะมีธรรมะจากตัวอย่างที่เห็นเอามาปฏิบัติเกิดเป็นสังโคในใจนะ่ะทําไปทําไปเราจะเกิดพุดโทโธคือความรอบรู้ความแจ่มแจ้งในใจของเราได้วันนี้ครัพุทเจ้าพระภัยบุญอภิปุโ น, โนจากวัปดป่าดอนไฮโซโกคอลาไปก่อนจเจริญนพร้อม